ก, ก็สุดแท้แต่ว่าใจเนี่ยจะหน่วงนึกถึงอะไรเมื่อมีอาหารเป็นอารมณ์แต่จะโดยประการใดก็ตามถ้าจิตมีจิตมีอาหารเป็นอารมณ์นะนั่นอะ่ะอาหารเนี่ยเป็นอารมณ์ของพบใหม่ถามง่ายๆว่าอาหารจานใดบ้างอาหารถ้วยใดยบ้างไม่เป็นอารมณ์แห่งพบใหม่เลยมีไหมโดยที่สุดแม้แต่นึกถึงผักผักก็ยังเป็นอารมณ์ของพบใหม่ สังเกตดูนะพวกแมลงที่ที่กินผักไม่ใช่น้อยก็บอกว่าถ้าเข้าป่าเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตว่าผักใบไม้เหล่านั้นกินได้บอกสังเกตง่ายไม่ยากนะถ้าใบไม้ต้นใดที่แมลงกินมนุษยกินไม่ตา ย, อ, ยานะอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่ง น, นะแต่ว่ามนุษยกินไม่ตายเพราะอะไรเพราะแมลงมันกินเนี่ยนะว่าถ้ามันมีพิษแมลงมันก็กินไม่ได้มันก็กินได้เพราะงั้นเถอะ สรุปว่าไอ้พวกใบไม้เหล่านั้นมนุษย์ยินดีฉันใดแมลงก็ยินดีถ้ฉันนั้นนั้นถ้าเราเพลิดเพลินในผักในผลไม้ในอะไรก็ฉลาดเท่าแมลงนะฉันราคามีเหมือนแมลงเป็นต้นมันก็อันนั้นแหละเป็นอารมณ์ของพบใหม่ถ้ามีเนื้อมีเนื้อเนี่ยนะมังสะเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีเนื้อเป็นอารมณ์ควรจะเกิดที่ที่ไหนมันสรุปว่าอาหารทุกอย่างทุกชนิดเป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้หมดขอให้ติดใจเถอะ าถ้าไม่ติดใจบริโภคด้วยโทสะแน่ใจนะ <c oughs> แต่แกล้งทำเป็นโกรธอย่างงี้ไม่ใช่หมายค่ะว่าเว้นไว้แต่เจริญกายานุปัสนาอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะนะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าพูดแบบรวมๆแล้วถ้าอาหารอร่อยเอย๊ก่อนจะตายนะก็ไม่รู้สึกว่าอาหารอร่อยอะไรเลยไม่ได้อยากกินอีกแล้วต่อไปจะตัดอาหาร ถ้าอย่างนี้ยังมีพบใหม่อีกหรือบางทีก็ยังเพลดิดเพลินไอแรงตันหาที่เคยมีในอดีตเนี่ยนะยังมีอยู่เพราะอาหารทั้งหลายถ้ายังไม่ได้ทําปริญญาในอาหารอย่าคิดว่าจะได้เบื่อหน่ายในอาหารอย่างแท้จริงถ้ายังมีฉันทราคะในอาหารอยู่มันอาหารนี่ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของพบใหม่ถ้ากล่าวตามทุกศาสตร์กับสมุทัยศัสตร์เนี่ยคิดง่ายๆว่า อาหารเป็นรูปกระขันความเพลิดเพลินในอาหารเป็นเป็นสังขารขันแต่เป็นสังขารที่เป็นสมุทยัทยสัจจะเป็นสมุทัยเป็นอายุหณนะเป็นตัวที่นําเกิดในพบใหม่สมมติถ้าเราใจเราเนี่ยนึกถึงอาหารตัวอาหารกับใจที่นึกถึงอาหารตัวไหนนําเกิดในพบใหม่ใจที่เพลิดเพลินในอาหารเป็นตัวที่นําเกิดใน พบใหม่ถ้ายังมีรูปประคันเป็นอารมณอย่างไงก็ต้องมีพบใหม่แน่นอนนะถ้าถ้าไม่หลีกออกจากรูปประคันให้ได้ยังไงก็ยังมีพบใหม่พระพุทธเจ้าอยากจะบอกเราว่าถ้าเรายังมีรูปประคันเป็นอารมณ์อยู่เชื่อว่าเราทั้งหลายยังมีพบใหม่อยู่เ น, น, น, นี่ทําเนธำยังไงที่จะไม่ให้มีพบใหม่ก็ต้องหลีกออกจากรูปให้ได้หลีกจากรูปไปหาอะไรหาอากาศมันมีอะไรเป็นอารมณ์ดีไหมฮะอากาศ เรื่อไปหานามอย่างอื่นต่ อ, อนะก็ถ้ายังถือเอาสังขารอย่างอื่นอีกก็ยังไงก็ต้องมีพบใหม่เพราะพระพุทธเจ้าไม่แสดงแต่ความติดใจในรูปนะยังติดถ้าติดใจในผัสสะล่ะอาหารที่สองบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าบุคคลมีความติดใจมีความยินดีมีความอยากในอาหารที่เป็นผัสสะคือผัสสะอาหารต้องการผัสสะเพราะอยากได้เวทนา เพราะภาษานี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาถ้าภาษาในอิทธารลมเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาถ้าภาษาในอนิถารลมเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้าภาษาในมัชฌตารมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาหมายคือว่าถ้ารับเรื่องที่ดียังไงโดยมากก็ดีใจถ้ารับเรื่องที่เลวร้ายโดยมากเสียใจถ้ารับเรื่องทั่วๆไปโดยมากจะ เฉยๆเนี่ยนะโดยมากจะเฉยๆประสูแท้แต่ว่าผัสสารับเรื่องราวชนิดใดถ้าอยากให้คนดีใจเนี่ยทำไงก็หาเรื่องดีๆให้เขาฟังเขาก็จะดีใจถ้าอยากให้เขาเสียใจหาเรื่องที่คนนั้นคิดว่าเลวร้ายที่สุดในชีวิตไปให้เขาได้ยินซะแล้วเขาจะเสียใจเนี่ยนะถ้าอยากให้เขาเฉยๆนะไปพูดอะไรก็ได้ที่เขาไม่สนใจเลยเนี่ยนะที่เขาสักแต่ว่าได้ยินผ่านๆหูแ ว, ว่วไปเท่านั้นแหละอันนั้นแหละจะเฉยๆ อันนี้พูดแบบหยาบหน่อยสรุปว่าผู้ใดยังยินดีในภาษะคําว่าภาษาภาษาภาษานี้เป็นอาหารเพราะนํามาซึ่งเวทนาสามภาษาในทวารตาภาษะในทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจภาษะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นในปริญญยยานิเทศท่านบอกว่าไงนะภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานคือโลกิยาภาษะโลกิยาภาษาทุกชนิดนั่นแหละเป็น ภาษาหานภาษาหานภาษาหานผู้ใดที่ติดใจในภาษาหานอยู่วิญญาณก็ย่อมตั้งอยู่ย่อมเป็นไปในวัตฏะในภูมิสามวิญญาณย่อมตั้งอยู่ย่อมเป็นไปในวัตถะในภูมิสามใดนามรูปก็อย่างลงในวัตฏะในภูมิสามนั้นนามรูปอย่างลงในวัตฏะในภูมิสามใดสังขารทั้งหลายก็เจริญในวัตฏะในภูมิสามนั้นสังขารทั้งหลายย่อมเจริญในฐานะใดการปรากฏแห่งพบใหม่ ในการต่อไปย่อมมีในฐานะนั้นความปรากฏแห่งพบใหม่มีอยู่ในการในฐานะใดชาติชรามรณะในการต่อไปย่อมมีในฐานะนั้นถ้ามีชาติชรามรณะต่อไปในการใดพิสูจนทั้งหลายเรากล่าววัตตนนั้นว่ามีความเศร้าโศกมีความเร่าร้อนมีความแผดเผาพันธาติติดใจในภาษะหรือหรือติดใจในเวทนาก็เชื่อว่าติดใจในวัตต์เพราะภาษะก็คือ ติดใจในผัสสะก็เท่ากับติดใจในเวทนาขันเพราะผัสสะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งอะไรเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติถ้าชาติเกิดขึ้นแล้วชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตตรงรองเราทั้งหลายติดใจในผัสสะหรือไม่ ลองไม่ให้เห็นดูสิลองไม่ให้ได้ยินดูสิลองไม่ให้รู้กลิ่นลองไม่ให้รู้รสเนี่ยนะบริโภคอาหารเนี่ยอะไรนะเอาอะไรมาปิดแผ่นลิ้นซะหน่อยนะให้ทานได้แต่ห้ามรู้รสนีนะหาโฟมหาอะไรหารอะไรนะก ร, กระดาษอะไรนะมาปิดลิ้นเลยนะห้ามรู้รสเนี่ยแต่ให้บริโภคอาหารที่ตัวเองชอบที่สุดเลยนะสนใจไม่ยมเล็กไม่เอาเนาะ มันชอบผัสสะมากนะต้องรับกระทบเองนะก็เลยนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแสดงว่านี้ลักษณะที่ยินดีในผัสสะเนี่ยนะยินดีในการรับกระทบในผัสสะในทวารหกผัสสะนั้นเป็นที่ยินดีของสัตว์ทั้งหลายพันหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะพูดถึงในผัสสะที่ไปรับกระทบไปเห็นไปได้ยินไปรูก้กลิ่นเป็นต้นเนี่ยมาก็เลือล่อเลถึงผัสสะที่ตัวเองได้รับกระทบมาพันไอการนึกถึง ภาษาที่เขากระทบเนี่ยนะภาษะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่หมดเลยคิดถึงตรงนี้เห็นคุณของคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ชี้แนะบอกเราว่าการระลึกถึงการติดใจการเพลิดเพลินในภาษะความเพลิดเพลินเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งพบใหม่นะเนี่ยนะแล้วบอกเหตุผลด้วยทั้งหมดว่าทําไมจึงเป็นเหตุแห่งพบใหม่เนี่ยนะ ทำไมจึงเป็นเหตุแห่งพบใหม่ทีนี้ต่อไปภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลมีความติดใจมีความยินดีมีความอยากในมโนสันเจตนาหารหมายคาอว่าติดใจเพลิดเพลินในมโนสันเจตนาหารมโนสันเจตนาหารคืออะไรคืออย่างนี้นะใครทําอะไรมานะเขาจะประทับใจในสิ่งที่เขาทํามากใครไปพูดอะไรมาก็จะติดใจในสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมาก ตัวเองมีความคิดชนิดใดขึ้นมาก็ติดใจในความคิดของตัวเองมากเพราะว่ามโนสันเจตนาหารก็คือกายะมโนสันเจตนาวจีมโนสนันวจีสันเจตนาโทษอะไรนะกายะสันเจตนาวจีสันเจตนาและมโนสันเจตนาก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนก ร, รรมที่เป็นไปในทวาร ทั้ง6เนี่ยนะเพราะว่าภาษาในทวารหถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรียกว่ามโนสันเจตนาหารเพราะโยนไปในภพสอาหารนะเป็นอาหารของภพสามนะมโนสันเจตนาหารเนี่ยคาพูดที่อย่างเขามาพูดทุกคำเนี่ยนะเป็นอาหารอย่างดีของภพใหม่ถ้าตัดฉันทราคะไม่ได้ภพไหนอีกเรื่องหนึ่งนะ เพื่เจอทั้งวันนี้ก็เป็นอาหารอันอร่อยของพบใหม่เหมือนกันพูดอะไรก็ได้ทุกคําพูดเนี่ยเป็นอาหารของพบใหมย่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพวกนี้เป็นกายกรรมก็เป็นอาหารของพบใหม่ความคิดทั้งหลายก็เป็นมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรร ม, ok ม, 96, มทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าเป็นอาหารของพบใหม่ทีนี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดใจในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมมาลอคิดดูนะโอ้ยเมื่อวานก่อนน่ะไปเที่ยวที่นั่นมาไปโน่นมาไม่นี่มาอันนี้ แสดงว่าติดใจในกายกรรมไปสนทนากับผู้นั้นมาไปพูดคุยกับผู้นี้มาเป็นต้นอันนี้ก็ติดใจในวจีกรรมโอ้ยเมื่อวานคิดเรื่องที่ตัวเองชอบมากก็ติดใจในมโนกรรมโอ้ยพบใหม่จะไปไหนชาติชรามรณะจะไปไหนเนี่ยนะไม่พ้นชาติชรามรณะหรอกพูดอย่างนี้นะบางคนก็ว่าโอ้ใจร้อนมากจะบรรลุเลยทันทีนะ เอาไว้ก่อนก็ได้ค่อยๆศึกษาก่อนว่าทำไมการพูดถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการติดใจหลงไหลเพลิดเพลินในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงเป็นอาหารของภพใหม่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าถ้าไปนึกถึงก่อนตายเนี่ยนะอันนี้ก่อนจะตายคิดถึงกายกรรมกายกรรมนาเกิดก่อนตายคิดถึงวจีกรรมวจีกรรมนาเกิดก่อนตายคิดถึงมโนกรรมมโนกรรมจะนำเกิด เราขอเลือกเลือกทึกนึกถึงคำรรไหนดีกายกรรมก็แบ่งเป็นสองคือเป็นกุศลกับอกุศลวจีกรรมก็แบ่งเป็นสองคือเป็นกุศลกับอกุศลมโนกรรมก็แบ่งเป็นสองคือเป็นกุศลกับอกุศลท่านนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นนําเกิดเพราะฉะนั้นก่อนจะตายขอนึกถึงอะไรดีนึกถึงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมตัวไหนเนอ <S <S นึกถึงคําใดดีนะนําเกิดในภพใหม่ นึกถึงการกระทําตัวไหนนึกถึงตอนกราบพระเจดีย์ยังไงด้วยตอนกราบสังเวชนียสถานนี่นะและนึกถึงตอนไหนดิตอนสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยหรือตอนเจริญกรรมฐานหรือตอนที่ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์เนี่ยท่านึกอย่างไงเปียดร้อนไหมแต่ว่าเชื่อไหมโดยมากสัตว์ทั้งหลายก็วนๆเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมกรรมอารมณ์เพราะว่ามโนสันเจตนาหารนั่นแหละคือกรรมาอารมณ์ สาตวทั้งหลายเนี่ยยินดีติดใจมากในกรรมมอารมณ์ทีนี้กรรมใดที่นึกถึงก่อนตายกรรมนั้นเรียกอะไรอาสันนกรรมกรรมใดที่นึกถึงก่อนตายกรรมตัวนั้นเป็นอาสันนกรรมกรรมนั้นจะนําเกิดเนี่ยนะที่เราเรียนไปแล้วไม่ใช่ในายวิสุทธิมรักเนี่ยนะวิสุทธิมรัคษปัญญานิเทศผันถ้า น, นึกถึงวัจีกรรมวจจกรรมนําเกิดนึกถึงมโนกรรมมโนกรรมนําเกิดนึกถึงกายกรรมกายกรรมนําเกิด เพราะฉะนั้นถ้านึกถึงกรรมที่เป็นอกุศลอกุศลนําเกิดถ้านึกถึงกรรมที่เป็นกุศลกุศลนําเกิดก็เลือกนึกเอาก็แล้วกันเนี่ยนะอุย้ยฉันต้องนึกสิ่งที่ดีอย่างเดียวแต่ปกตินึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีอันไหนจะชํานาญกับกันอันไหนชํานาญกับกันก็ดูนะว่าซ่องเสพ อ, อันไหนมากอันนั้นแหละจะเป็นไปเนี่ยนะไปคิดว่าเลือกได้อุย้ยสบายมากสบายจริงหรือก็ลองไม่สบายใจลองนึกดูที่เนี่ยนะตอนลองอะไรนะหิวข้าวแล้วลองนึกถึงกุศลดูที่นึกถึง ตัไหนดีเนี่ยนะเอาเอาแบบทุกธรรมดาก่อนไม่ต้องแบบป่วยกระสอบกระแสนี่นะคนไข้หลายคนเนี่ยไปนั่งนึกถึงกุศลอย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่นะใครที่ป่วยป่วยไปนอนโรงพยาบาลมาไปนั่งนึกถึงกุศลอย่างเดียวนะคิดง่ายตอนไปฉีดยาเป็นต้นเนี่ยนึกถึงโอ้กุศลตัวนั้นกุศลตัวนั้นกุศลตัวนั้นเนี่ยนะแต่สรุปว่าจะนึกถึงกุศลหรืออกุศ ล, ลกรรมก็ตามก็ยังชื่อว่าเป็นอาหารของพอบใหม่ ถ้านึกถึงอกุศลกรรมก็เป็นอาหารของอบายถ้านึกถึงกุศลก็เป็นอาหารของสุขติเป็นอาหารของสุขติแต่สรุปว่าจะเกิดในอบายหรือเกิดในสุขติชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมณตและอุปาญาตก็ยังมีเหมือนเดิมเนี่ยนะอู้เห็นไทยในวัตตะแรงกล้าเลยนะทีนี้วิญญาณอาหารเนี่ยนะ พิสูทั้งหลายถ้าบุคคลมีความติดใจมีความยินดีมีความอยากในอาหารคือวิญญาณอาหารเนี่ยนะวิญญาณก็ย่อมตั้งอยู่เอจิตคิดถึงจิตนะใจคิดถึงใจนะคิดถึงใจตัวเองนั่นแหละนึกถึงจักคูวิญญาณโสตะทานะชิวหากายะและมโนวิญญาณเพลดิดเพลินในวิญญาณหรือเพลดิดเพลินในปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะจิตใจเนี่ยชอบวิญญาณอ่า คิดง่ยินดีที่เช่นไงปรารถนาที่จะเกิดสาธุด้วยผลของบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดณนณะนะที่ไหนดีณนะที่ตัวเองปรารถนาไว้นะพันธ์ก็ชื่อว่าติดใจในปฏิสนธิถ้าติดใจในปฏิสนธิก็เท่ากับติดใจในนามรูปที่หยั่งลงใช่ไหมพันธ์ถ้าหากว่าเชื่อไหมถ้าติดใจในพบใหม่เนี่ยสามารถเพาะขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อว่าอัศจรรย์มากอย่างหนึ่งคือมันเกิดได้ทุกแห่งจริงๆเกิดแม้กระทั่งในท้องสุนัขท้องหมูมา้ากาไกา่ท้องปลาท้องมดท้องปลวกเกิดได้ทุกที่จริงๆเลยเกิดตามหินเกิดตามป่าตามซอกเขาใบไม้กิ่งไม้เปลือกไม้นะมันอาศัยเกิดได้ทุกแห่งแต่อยู่ในป่านี่ไปคิดว่าอยู่สัตว์ตัวเดียวนะเยอะมากระงมไพรไปหมดเนี่ยนะวันก่อนไปดูยืนดูต้นสนแล้วก็ดูๆไปตามเปลือก สัต์เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะไปสังเกตดูนะต้นไม้บ้านโยมเนี่ยแหละดูตามกิ่งทุกกิ่งทุกใบเนี่ยจะรู้ว่าบ้านเรานี่ไม่ได้อยู่แต่สัตว์เดียวนะอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะไม่เงาแน่สรุปว่าทุกแห่งเนี่ยเพาะขึ้นหมดเลยจะเกิดที่ไหนบ้างอะแล้วมนุษย์เนี่ยมันสามารถไปเกิดได้ในคันของเกือบทุกคนนี่สิ เนี่ยนะเดี๋ยวผู้ชายก็ไปเป็นผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงก็ไปเป็นผู้ชายเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันอยู่ในคันกันสลับไปสลับมาอยู่นั่นแหละวนๆอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นที่อาศัยเกิดได้ทุกแห่งในร่างกายของเราก็ยังเป็นที่อาศัยเกิดปั๊ดเชื่อไหมพยาธิยังมาอาศัยเกิดอยู่เลยใช่ไหมอย่างพยาธินะตื่หมูอย่างเงี้ยกี่ตัวดีปล้องหนึ่งก็มีหลายตัวนะแล้วมันไม่ใช่มีปล้องเดียวเนี่ยนะอันพยาธิก็มาอยู่ในนั้นเยอะไปหมดเลยดงนั้นถือว่าเป็นที่เกิดแห่งพบใหม่ได้ทุกแห่งเนี่ยนะ โดยที่สุดแม้แต่แผลในแผลนี่ก็ยังมีมแมลงวันเป็นต้นมาไข่เอาไว้แล้วก็เกิดในแผลอีกก็มีนั้นเป็นที่อาศัยเกิดได้ทุกหนทุกแห่งแม้กระทั่งที่ผมเนี่ยนะเส้นผมก็ยังมีอะไรมีเหามีเห็บมาเกิดขึ้นบางคนนี่เห็บมาเกิดอาศัยเห็บทั้งเหาทั้งเห็ บ, ท, หบทั้งหมัดเนี่ยนะก็เกิดเกิดันทั น, น, นยู่เกิดได้ทุกที่จริงๆเลยอของประเทศที่เจริญแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยนะไอประเทศแถวทวีปแอฟริกาเนี่ยนะ เขามีมันมีเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยนะแล้วผ่านตามปุ่มเหล่านั้นมีพญาตมิมีอะไรหมดเลยนะมีพญาติมีสัตว์มีนอนมีอะไรเนี่ยนะเอามาเคยดูรูปที่เขาถ่ายของกลุ่มทวีปแอฟริกากลุ่มโรคผิวหนังทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะมีโอ้สัตว์ปฏิสนธิได้เยอะแยะเกิดได้ทุกหนทุกแห่งเพราะที่นั้นเป็นที่อาศัยเกิดของของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ อันนี้แล้วในสุขติล่ะสุขติก็เหมือนกันเทวดาก็แม้กระทั่งวิมานในต้นไม้นะวิมานอาศัยเกิดในต้นไม้วิมานอาศัยเกิดในอากาศสเทวดาหรือในเทวดาชั้นที่ต่างๆเลยนะพันทุกแห่งเนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดแห่งพบใหม่พันถ้าผู้ใดติดใจในพบใหม่วิญญาณก็ตั้งอยู่ใช่ไหมวิญญาณก็ย่อมเป็นไปในวัตตะในภูมิสามวิญญาณตั้งอยู่ย่อมเป็นไปในใน เปภภมมวัดหรือวัตตะาในภูมิสามใดนามรูปก็อย่างลงในวัตตะาในภูมิสามนั้นนามรูปอย่างลงในวัตตะาในภูมิสามใดสังขารทั้งหลายก็เจริญในวัตตะาในภูมิสามนั้นสังขารทั้งหลายย่อมเจริญในฐานะใดการปรากฏแห่งพบใหม่ในการต่อไปย่อมมีในฐานะนั้นความปรากฏแห่งพบใหม่ในการต่อไปมีอยู่ในฐานะใดชาติชรามรณะ ในการต่อไปย่อมมีในฐานะนั้นชาติชรา ม, มรณะในการต่อไปมีอยู่ในฐานะใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวว่าตะนั้นว่ามีความโศกนะมีความเร้าร้อนมีความแผดเผานะก็คือมีโสกะปริเทวะกองทุกข์ไหลสืบเนื่องไปทั้งหมดเนี่ยเทศนาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี่เรียกว่าปะพวะบัญญัติปะพวะเนี่ยนะปะวะเนี่ยแปลว่าเหตุนะ บัญญัติที่ทำให้รู้เหตุของทุกขสัตว์และเหตุของสมุทัยสัตว์นั้นถามว่าที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะตัวไหนเป็นสมุทยัยสัจจะก็คือตัวความติดใจความยินดีมีความอยากในกับพลิงกระาหารภัสสาหารมโนสันเจตนาหารและเวีย ญ, ญาณอาหารความยินดีทั้งหมดเหล่านี้เป็นสมุทยัยสัจจะ ชาติชรามมรณะความโศความเร้าร้อนความแผดเผาอันนี้เป็นทุกขสัจจะคําสอนนี้ประกาศป่ภาวะบัญญัติคือแสดงให้รู้จักเหตุของสังสารวัฏแสดงให้รู้จักเหตุของทุกขับสมุทัยเพราะวัตตาในภูมิสามคือทุกขสัจจะกับสมุทยาสัจจะนั่นเองเนี่ยนะก็คือทุกขับสมุ ท, ท, ยทัยทีนี้มาดูวิวัตตาบาง <c oughs> วิวัตตาเนี่ยนะฝ่ายตรงกันข้ามกับวัตตา คือกล่าวถึงนิโรสศจักกับมัคคสัจจะบอกว่าถ้าบุคคลไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากในกับผลิงกระหานเนี่ยนะไอคําว่าไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากนี่เป็นยังไงไม่อยากกินอะไรเลยแกล้งไม่อยากหรือว่าเป็นยังไงหรือไม่หิวหรือเพราะไม่สบายหรือเพราะร่างกายอยากกับพักผ่อน ไม่ใช่เพราะอารยมรักนะท่านบอกว่าในที่นี้บอกว่าไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากหมายถึงอัคคมัคคภาวนานะภาวนาเนี่ยหมายคำ ว, ว่าตัดขาดฉันทราคะตัดขาดความติดใจตัดขาดความยินดีตัดขาดความอยากด้วยอัคคมัคคภาวนาแปลเป็นภาษาไทยว่าด้วยอารหัตตมรัคษนไ ตัดขาดด้วยโสดาปฏิมาตัดขาดด้วยอนาคาเมมัตตัดขาดด้วยอรหัตตมัตตัดขาดในกัพลิงกราหานได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมัรตอย่างนี้แล้วเนี่ยนะวิญญาณก็ย่อมไม่ตั้งอยู่วิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่เลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็วิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ในกัพลิงกราหานเมื่อวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่เป็นไปในวัฏฏะในภูมิสามอย่างนี้แล้วการอย่างลงแห่งนามรูปก็ไม่มีในวัฏฏะในภูมิสาม การอย่างลงแห่งนามรูปไม่เป็นไปในวัตตะในภูมิสามใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในวัตะในภูมิสามนั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในวัตตะในภูมิสามใดความปรากฏแห่งพบใหม่ในการต่อไปย่อมไม่มีในฐานะนั้นการปรากฏแห่งพบใหม่ในการต่อไป ย่อมไม่มีในฐานะใดชาติชรามรณะในการต่อไปย่อมไม่มีในฐานะนั้นชาติชรามรณะในการต่อไปย่อมไม่มีในฐานะใดพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวว่าตะนั้นว่าที่จริงเรากล่าวธรรมะนั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความแผดเผาถ้าหากว่า ตัดฉันทราคาในอาหารได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้อย่าลืมนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าไอการที่จะตัดฉันทราคะในอาหารก็คือตัดฉันนราคะในรูปการตัดฉันทราคาในรู ป, ดราารปโดยตามเห็นรูปว่าเป็นของเที่ยงตัดได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าตามเห็นว่ารูปนี่ยั่งยืนมั่นคงและจะตัดชันธราคาในรูปเห็นว่ารูปเป็นสุกจะตัดฉั้นราคะในรูปได้ไหม ถ้าเห็นว่ารูปเรานี้ควบคุมได้เรามีอำนาจในรูปรูปเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของเราหมดเลยอย่าปวดหัวเลยอย่างเงี้นะก็บอกกันได้คุยกันรู้เรื่องเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้แสดงว่าโอ้ยอีกนานแต่ถ้าบอกว่ารูปรูปอะไรรูปไม่เที่ยงนะรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดในรูปปฏิบัติเพื่อความดับรูปไม่ต้องการสร้างรูป แล้วก็บริจาครูปเนี่ยนะบริจาคสละสละด้วยการตัดฉันทราค่าในรูปโดยประการทั้งปวงถ้าตัดฉันทราค่าในรูปได้โดยประการทั้งปวงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะคือสำคัญเนี่ยนะว่าถ้าจิตยังมีรูปเป็นอารมณ์อยู่ยังมีรูปประกาเป็นอารมณ์อยู่ยากคิดนะว่าจะดับทุกข์ได้ จะต้องออกจากรูปได้โดยประการทั้งปวงทีนี้ไอาการจะออกจากรูปได้ถ้าไม่ตัดฉันทราคะในรูปไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้ายังอะไรอวรนอยู่นั่นแหละอวรนก่อนจากอยู่นั่นแหละยังไงก็จากไม่ได้เชื่อแต่อาจจะจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเยื่อใยในในรูปเนี่ยนะถ้ายังมีเยื่อใยในรูปเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนอะไร เปรียบเหมือนลูกโคตัว น, น้อยที่ใครจะดื่มนมแห่งมารดาเนี่ยนะลูกวัวตัวน้อยจะทำยังไงก็วิ่งตามฉันใดผู้ติดใจในรูปปั้นก็ฉันนั้นก็เที่ยวตามหาสแสวงหารูปถ้าสแสวงหารูปก็เท่ากับสแสวงหาพบใหม่เท่ากับสแสวงหาชาติชรามรณะถ้าถ้าขึ้นชื่อว่าเกิด ถ้าพูดแบบสมัยใหม่นะก็บอกว่าก็ถ้าสแสวงหาการเกิดก็เท่ากับสแสวงหาสงครามสแสวงหาที่แหล่งที่ทําปานาติบาศแสวงหาแหล่งที่ทําอาธินนาธานแหล่งที่ทำการเมสุมิจฉาจารเป็นต้นก็คือสแสวงหาที่ที่มันสแสวงหาประตูอบายในที่สุดจนได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าอบายทั้งหลายเนี่ยนะเป็นภพของผู้ที่ติดใจในกับพริงกราหานเป็นต้นนั่นแหละ แต่นี่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อตัดฉันทราคะในกับพลิงกราหานได้ก็ย่อมสา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะก็ภาษาชาวโลกเขาบอกว่าทุกทาทุกอย่างเพื่อให้มีอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพระพุทธเจ้าสอนบอกตัดฉันทราคะตัดอะไรตัดความเยื่อใยในอาหารเสียเถิดแล้วเธอจะพ้นทุกข์นะนีฟังแล้วถ้าไม่มีปัญญาจริงๆก็ทําใจลําบากเนี่ยนะหามาแทบตาจะได้กินอะไรอร่อยๆอย่างที่ตัวเองต้องการนี่แหละ ใช่โอ้ยทํายอมคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่บริโภคอาหารอร่อยอร่อยอย่างที่เราอยากจะทานเนี่ยนะทำทำไมงานว่างันมีประโยชน์ตรงไหนว่างัน <im it> นะเขาบอกแสดงว่าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับกับพลีกรอาหารที่ตัวเองชอบใจเนี่ย น, นะเพื่อ <im it> <ๆ>เพื่ออะไรเพื่อจะได้ขยายวัตตะให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ <im it> ก็คือโครงการขยายวัตะนั่นแหลน่นะถ้าสรุปนะเทศนาเนี่ยเขาเรียกว่า ปริญญาบัญญัตินะเพื่อให้รู้ประเภทแห่งการทำปริญญาที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยในอาการที่บอกว่าถ้าไม่ยินดีไม่มีความติดใจไม่มีความอยากในกัพลิงกราหานอันนี้ประกาศถึงลักษณะของปริญญาบัญญัติให้รู้ประเภทแห่งการทำปริญญาในทุกขัสัจเพราะกัพลิงกระหานเป็นทุกขัสัจจะเป็นรู ป, ประคันอันผู้ที่รอบรู้ในอาหารก็ชื่อว่ารอบรู้ใน ทุกขสัต์จะรอบรู้ในรูปประขันรูปประคันเนี่ยนะเพราะว่ารูปประคันนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทําปริญญาตัวมันเองนี่เป็นเข้าไปตัวมันเองเนี่ยเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ตั้งแห่งการทำปริญญาเนี่ยนะเป็นเข้าไปกาหนดรอบรู้ชั้นแรกก็คือไปจำเนกแจกแจงรูปก่อนว่าแต่และอย่างนี่มีกี่รูปในนั้นใช่ คำสอนก็บอกชัดเจนง่ายๆว่าทุกอย่างคือภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตารูปนะทุกอย่างดินน้ําไฟลมอาหารทุกอย่างก็ดินน้ําไฟลมมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ในนั้นถ้ากรรมนําเกิดก็มีชีวิตอยู่ด้วยเป็นต้นเนี่ย น, นะถ้าใครครวรพิจารณามากๆก็จําแนกแยกแยะพร้อมทั้งรูปเกิดจากสมุทราน 4ประการรูปบางอย่างเกิดจากกรรมรูปบางอย่างเกิดจากจิตรูปบางอย่างเกิดจากอุตุรูปบางอย่างเกิด จ, จากอาหารรูปที่เกิดจากกรรมเที่ยงห ร, หรือไม่เที <WAS S 1> ่ยงไม่เที่ยงอ่ะ น, น, น, นะอายุกี่ปีดีเราตามสมควรรูปที่เกิดจากจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอ่ะนะอย่างเช่นรูปที่เกิดจากจิตที่โสมนัสเนี่ยนะถ้าจิตโทมนัสเกิดรูปโสมัที่เกิดจากโสมนัสไปไหนหมดแล้วใช่ไหม จาสมมตินหน้าตายิ้มแย้มด้วยองหน้าสโสมนัสไปทําให้ใครให้โกรธปั๊บหน้าบึ้งขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากโสมนัสหายไปรูปที่เกิดจากโทมนัสก็เกิดขึ้นมาแทนเนี่ยนะรูปที่เกิดจากอาหารก็ในิยะเดียวกันถ้าเปลี่ยนอาหารไปได้วยรูปก็เปลี่ยนในส่วนที่รูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานนะแต่กรรมชรูปกรรมเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเนี่ยนะกรรมชรูปเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนถ้าจิตตชรูปจิตเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนอาหารชรูปอาหารทําให้ เปลี่ยนอุตตูชรูปก็อุตโตทําให้เปลี่ยนไปมันผู้ที่ทําปริญญาในรูปก็จะสรู้จากสภาพที่เป็นจริงของรูปว่าอย่างที่บอกว่าเธอเคยเห็นไหมว่ารูปมันยั่งยืนเหมือนแผ่นดินสักรูปหนึ่งมีไหมแปลว่าใครที่เกิดมาในโลกนะั้นมันยั่งยืนเหมือนแผ่นดินยั่งยืนเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยมีไหมบอกไม่มีรอกนี่ยนะนะนะแล้วก็เคยเห็นรูปที่เป็นสุกอย่างแท้จริงเลยนะ สบายจริงๆเลยรูปอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นนะเคยเห็นไหมก็มีเดือดร้อนทั้งนั้นแหละถ้ามีรูปจึงจึงเดือดร้อนใช่ไหมถ้ามีตาก็เดือดร้อนเพราะตามีหูก็เดือดร้อนเพราะหูมีปากก็เดือดร้อนเพราะปากมีร่างกายก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนมันเพราะโรคขโตทั้งหลายก็เกิดมาอย่างนี้แหละก่อนเล่าว่าเป็นโรคปอดก็เพราะมีปอดนั่นแหละมันจึงมีโรคเหมือนกันท่น ถ้าไม่มีปีปอดจะมีโรคหรืออะไรเงี้นเ้าก็ะเพาะมีคอนั่นแหละจึงมีโรคกระเพาะมีกายนั่นแหละจึงมีโรคสรุปว่าถ้ายังมีขันห้าก็ยังมีโรคอยู่เนี่ยนะถ้ามีตาหูจมูกเล่นกายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ไม่ต้องถามหาว่าจะไม่มีโรคเพราะมันคือรังของโรคเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ใครมีอำนาจจริงๆรบ้างล่ะไม่มีเพราะพระองค์จึงบัญญัติบอกเลยว่าพวกเนี้เป็นปริญญาธรรมนะ เป็นธรรมที่ต้องเข้าไปกำหนดรู้นะไม่ใช่เข้าไปหวังอย่างพุทธ์บางแห่งบอกเลยว่าทำทั้งปวงคือรูปเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรไปยึดว่าไปเข้าเนี่ยเป็นของเที่ยงเลยไม่ควรเข้าไปยึดว่ารูปเป็นสุขเลยไม่ควรไปยึดว่ารูปเป็นอัตตาเลยทำไม ถึงยึดว่ารูปเที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงไปยึดว่ารูปเป็นสุขรูปก็ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงถ้าไปยึดว่ารูปเป็นอัตตารูปก็ไม่ได้เป็นอัตตาอะไรเลยเ <c oughs> มื่อรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจึงไม่ควรยึดถือรูปว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและเป็นอัตตาอะไรเลยพระ อ, องค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นนะเพราะยึดแล้วมันไม่เป็นดังที่ใจ ย, ยึดะนะก็เหมือนอะไรเหมือน ไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยนะเช่นไปยึดว่าก้อนเมฆเป็นของเราดีไหมยึดว่าฟ้าผ่าเป็นของเราเนี่ยนะใครมีอำนาจไปดูแลมันบ้างดูแลก้อนเมฆเนี่ยนะอย่างนี้แหละขันห้าก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจอะไรจริงๆรหรอก